วันนี้เป็นวันเสาที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเวลาว่าง จากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำภารกิจที่พระพุทธเจ้า <c oughs> ได้ทรงมอบหมายให้กับผู้ที่มีจิตฝ่ธรรมฝ่ายกุศลให้เอาไปศึกษาและเอาไปปฏิบัติเพราะจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อจิตใจ เพราะว่าร่างกายที่เราอยู่กันที่เราอาศัยอยู่กันนี้เป็นของชั่วคราววันหนึ่งร่างกายนี้ก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงและสิ่งต่างๆที่เราหาผ่านทางร่างกายไม่ว่าจะเป็น <c oughs> ที่อยู่อาศัยบ้านช่อง ของใเครื่องใช้ไม่ส้อยต่างๆคือปัจจัยสี่อาหารก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและเครื่องอำนวยความสุขความสะดวกต่างๆพอร่างกายของเราตายไปสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ไม่สามารถที่จะ เข้าถึงได้ต่อไปเราคือดวงใจหรือจิตใจที่เมื่อร่างกายนี้ตายไปแล้วจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจนี้ยังอยู่ต่อไปแล้วจะอยู่อย่างสุขสบายหรืออยู่อย่างทุกข์ยากลำบากก็ขึ้นอยู่กับพวกเราในขณะนี้ ว่าเราจะเตรียมตัวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปหรือไม่ว่าเรารู้กันหรือไม่ว่าเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรายังอยู่ต่อแต่เราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายหรืออยู่อย่างทุกข์ยากลำบากก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเตรียมตัวเตรียมสิ่งต่าง ที่จะอำนวยความสกความสุขความสบายให้กับเราไว้ล่วงหน้ากันก่อนหรือไม่ <Yeah. S 2> เพราะว่า <c oughs> ถ้าเราไม่เตรียมตัวกันไว้ก่อนพอ <Yeah. S 2> ถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไป <Yeah. S 2> เราอาจจะไม่มีอะไรติดตัวไปเลย <Yeah. S 2> ไม่มีเครื่องอำนวยความสกความสุขความสบาย <Yeah. S 2> ให้กับจิตใจของเรา <Yeah. S 2> แต่ถ้าเรา มีความศรัทธามีความเลื่อมใสมีความเชื่อในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราหมั่นมาทำหน้าที่ของเราทำหน้าที่ของใจอย่ามัวแต่ทำหน้าที่ของร่างกายเพียงอย่างเดียวขาอประโยชน์ที่เราได้รับจากการทำหน้าที่ของร่างกายนี้ จะไม่สามารถนำเอาติดตัวไปกับใจของเราได้เราต้องมาทำหน้าที่ของใจมาทำธุระของใจเพื่อจะได้สร้างหรือจะได้มีสิ่งที่จะเอาไปกับใจเอาไปสนับสนุนใจให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว พระพุทธเจ้าทรงมอบธุระให้กับชาวพุทธเราไว้สองธุระด้วยกันคือคันธะธุระและวิปั ส, สนาธุระคันธะธุระนี้แปลว่าการศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจะต้องทำอย่างไร เพื่อที่จะได้สร้างประโยชน์สุขให้แก่จิตใจและนำเอาประโยชน์สุขของจิตใจนี้ติดไปกับใจได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจรึงควรที่จะแบ่งเวลาให้กับทั้งร่างกายและทั้งจิตใจโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจนี้ จะเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเรื่องของร่างกายมากเพราะร่างกายนี้เป็นของชั่วคราว<ม>ส่วนจิตใจนี้เป็นของอยั่งยืนเป็นของถาวรเป็นของที่ไม่ตายไปกับร่างกายที่จะอยู่ต่อไปเป็นเวลาอันเป็นระยะเวลาอันยาวนานและจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายหรือจะอยู่อย่างทุกข์ยากลำบาก ก็อยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะมาทำหน้าที่ของจิตใจได้มากน้อยเพียงไรนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะแบ่งเวลาให้กับร่างกายส่วนหนึ่งและแบ่งเวลาให้กับใจอีกส่วนหนึ่งร่างกายก็จำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยสี่ <c oughs> มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่ม มีที่วาอาัยมียารักษาโรคและมีเครื่องอํานวยความสุขต่างๆให้กับร่างกาย<ม>เราก็หาไปในในส่วนหนึ่งเพื่อให้ร่างกายชีวิตของเราขณะที่ร่างกายมีชีวิตอยู่จะได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายมมไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ยากลําบากแต่เราก็ต้องคํานึงถึง เรื่องของใจของเราด้วยเพราะว่าเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปสิ่งต่างๆที่เราหามาให้กับร่างกายนี้เราไม่สามารถเอาไปกับใจได้ใจไม่สามารถเอาบ้านเอาอาหารเอาเงินทองเอาทรัพย์สินเอาบุคคลต่างๆไปกับใจได้ สิ่งที่ใจจะสามารถเอาติดไปกับใจได้ก็คือทมที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาศึกษาและมาปฏิบัติกันนั่นเองการศึกษาธรรมและการปฏิบัติธรรมนี้ก็เปรียบเหมือนกับการที่เราไปดูบ้านใหม่เราไปเราไปเวลาที่เรา อยู่ขนาดนี้เรารู้ว่าต่อไปเราต้องย้ายบ้านเช่นต้องย้ายไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเราก็ต้องไปสำรวจดูที่จังหวัดนั้นว่ามีบ้านแบบไหนบ้างมีราคาเท่าไหร่มีกี่ระดับด้วยกันและเรามีกําลังซื้อมากน้อยเท่าไหร่เราต้องเตรียมการเอาไว้เพื่อที่เวลาที่เราจะต้องย้ายจากที่อยู่เราตอนนี้ที่อยู่เก่า เราจะได้ไปมีที่อยู่ใหม่ได้พอต้องย้ายก็ย้ายไปเข้าสู่บ้านใหม่ของเราได้แต่ถ้าเราไม่เตรียมการเราไม่ศึกษาเราไม่สำรวจไม่ซื้อไว้ก่อนพอเวลาที่เราจะต้องย้ายจากบ้านเก่าไปนี้เมื่อไหนก็จะยุ่งยากลาบาก <c oughs> หรืออาจจะไม่สามารถที่จะซื้อ สิ่งต่างๆได้เพราะว่าเงินทองที่เรามีอยู่ในขณะนี้ถ้าเราตายไปแล้วเราไม่สามารถเอาไปติดตัวกับเราไปเพื่อไปซื้อบ้านใหม่ได้เวลาที่ร่างกายตายไปใจก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่เหมือนกับเวลาที่เราโยกย้ายจากที่ากที่เราอยู่ในขณะนี้ อาจจะอยู่จังหวัดนี้หรืออยู่ประเทศนี้แต่เราต้องย้ายไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งหรืออยู่อีกประเทศหนึ่งเราก็ต้องเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าก่อนเพราะเราจะได้ไปถ้าเราเตรียมการไว้มีบ้านอยู่แล้วมันก็จะสะดวกสามารถย้ายเข้าอยู่ได้เลย <c oughs> แต่ถ้ายังไม่ได้เตรียมการเอาไว้อาจจะไม่ทันการ เพราะว่าถ้าเราต้องย้ายไปกระทานหาันเราอาจจะไม่มีเงินทองหรืออะไรที่เราจะตั้งเอาไปซื้อบ้านใหม่ได้ <c oughs> นี่คือเรื่องของการศึกษาธรรมะต่างๆนี้ธรรมะที่พระเจ้าให้เราศึกษานี้ก็คือบ้านชนิดต่างๆนั่นเองบ้านในราคาระดับต่างๆที่อยู่ในโลกทิพย์เนี่ย ตอนนี้เราอยู่ในโลกกราธาตุโลกกราธาตุคือโลกของร่างกายร่างกายนี้ประกอบจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟ <c oughs> แล้วใจก็อาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือพาเราให้หาความสุขต่างๆจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ร่างกายนี้มันเป็นของชั่วคราว วันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องสิ้นสุดลงพ อ, อสิ้นสุดลงใจที่อาศัยร่างกาย เ, เป็นเครื่องมือหาที่อยู่อาศัยหาบ้านหาอะไรให้นั้นก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายหาบ้านหาที่อยู่หาความสุขต่างๆจากโลกนี้ได้ใจต้องอยู่ในโลกทิพย์แล้วก็ต้องมีบ้าน ที่เตรียมมาไว้ก่อนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าขณะที่ตายไปแล้วนี่เราไม่สามารถที่จะไปซื้อบ้านในโลกทิพย์ได้เราต้องซื้อก่อนที่เราจะออกจากโลกนี้ไปในโลกทิพย์นี้ก็มีบ้านในหลายรักหลายราคาหลายระดับเหมือนกับโลกที่เราอยู่นี้บ้านที่เขามีการ ผลิตขายขึ้นมานี้ก็มีหลายระดับหลายราคาด้วยกันบ้านระดับล้านก็มีห้าล้านก็มีสิบล้านหรือยี่สิบล้า น, านก็มีหรือมากกว่านั้นก็มีแต่ละระดับก็จะอำนวยความสุขความสบายให้กับผู้อยู่อาศัยมากขึ้นไปตามลําดับบ้านที่อยู่อาศัยในโลกทิพย์ที่เราจะไปกันต่อไปนี้ก็เหมือนกัน เป็นบ้านที่มีหลายระดับหลายราคาด้วยกันที่เราสามารถเลือก <c oughs> ซื้อได้ตามกำลังซื้อของเราถ้าเรามีกำลังซื้อมากเราก็สามารถซื้อบ้านที่มีราคาแพงๆราคามากๆได้เราก็จะได้อยู่บ้านที่มีความสุขความสบายมากขึ้นไปตามลำดับนะขอให้เราคิดว่าการศึกษาธรรมะและปฏิบัติรำ ตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นเรื่องของการไปซื้อบ้านใหม่ของเราที่เราจะต้องไปอยู่อาศัยต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วและเราต้องซื้อก่อนที่เราตายเพราะว่าตอนนี้เราสามารถใช้เงินทองที่เรามีอยู่ในโลกนี้หรือใช้ร่างกายที่เรามีอยู่นี้เอาไปใช้ ในการสร้างบ้านใหม่ของเราได้แต่ถ้าร่างกายเราตายไปแล้วนี่เราจะไม่สามารถที่จะไปซื้อหรือไปสร้างบ้านใหม่ได้ในขณะที่ร่างกายตายไปแล้วเราจึงต้องทาในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องปฏิบัติธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันซึ่งก็เป็นการสร้างบ้าน อยู่สามระดับด้วยกันสร้างบ้านสามหรือสี่ระดับด้วยกันที่บ้านที่จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับทมที่พระเจ้าทรงสอนให้เราศึกษาและนำเอาไปปฏิบัตินี้ก็มีอยู่สามข้อใหญ่ๆด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือการทำบุญทำทานข้อที่สองก็คือการรักษาศีล ข้อที่สามก็คือการภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นการซื้อบ้านชนิดต่างๆในราคาระดับต่างๆกันบ้านราคาระดับต่ำที่สุดก็คือบ้านที่เกิดจากการทําบุญทําทานถ้าเราเอาเงินที่เรามีอยู่นี้ไปทําบุญทําทานเราก็จะได้บ้านระดับ ระดับที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นเทพเนะี่ยได้ไปเราก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพถ้าเราได้ทําบุญทําทานาได้สะสมบุญไว้ทํามากก็จะได้บ้านที่มีระดับที่มีความสุขมากบ้านในระดับฐานนี้ก็มีแบ่งไว้6ระดับด้วยกันเรียกว่าสวรรค์6ชั้น มีสวรรค์ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองก็ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่เราเอาไปทำบุญทาทานว่าเราเอาไปทำบุญทาทานมากน้อยเพียงไรเอาไปทำมากเราก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปเอาทำน้อยเราก็จะได้สวรรค์ชั้นต่ำนี่บ้านชนิดแรกที่เราสามารถซื้อหากันได้ด้วยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ที่เรามีอยู่กันและทุกคนไม่ว่าจะรวยจะจนนี้สามารถซื้อบ้านระดับนี้ได้ด้วยกันทุกคนเพราะว่าการจะซื้อบ้านระดับนี้เราไม่ได้ดูแต่จำนวนเงินว่าเรามีเราซื้อไปเท่าไหร่เช่นร้อยหนึ่งพหนึ่งแต่เราจะดูที่สัสดส่วนของเงินที่เราลอยจากไป สมมุติว่าถ้าเรามีเงินอยู่ล้านหนึ่งเนี่ยแล้วเราทําบุญไปแสนหนึ่งเราก็ได้บริจากไปร้อยละสิบเราก็ได้บ้านสวรรค์ชั้นชั้นร้อยละสิบไปแต่คนหนึ่งสมมุติว่ามีเงินแค่แสนเดียวแล้วเขาเบริจาคไปหมื่นหนึ่งเขาก็ทําบุญร้อยละสิบเหมือนกันเอ เขาก็จะได้บ้านหรือได้สวรรค์ชั้นเดียวกัน น, นี่คืออยากจะให้ทําความเข้าใจว่าจะรวยจะจนนี้ก็ยังสามารถที่จะซื้อบ้านได้ซื้อซื้อสวรรค์ชั้นเทพได้ด้วยเงินทองที่ตนเองมีอยู่โดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามีเงินน้อยแล้วจะไม่ได้ซื้ อ, อบ้านที่มี มีความสุขมากมีระดับสูงเพราะว่าการทาบุญนี้เราไม่ได้นับที่ตัวเงินแต่เรานับที่สัดส่วนของเงินที่เรามีอยู่ถ้าเราบอยจากร้อยละห้าสิบนี่เราก็จะได้ <c oughs> ได้อีกระดับหนึ่งแล้วร้อยละห้าสิบของคนแต่ละคนก็ไม่เท่ากันในปริมาณเงินทองเพราะแต่ละคนนี้มีทรัพย์สินมากน้อยไม่เท่ากัน คนที่มีทรัพย์สินมากก็ต้องจ่ายมากที่จะได้รับที่จะซื้อซื้อบ้านในระดับร้อยละห้าสิบอย่างนี้อย่างที่เปรียบเทียบให้ฟังเมื่อกี้ร้อยละสิบถ้ามีล้านหนึ่งอยากจะได้บ้านระดับร้อยละสิบก็ต้องจ่ายแสนหนึ่งแต่คนที่มีแสนหนึ่งก็จ่ายเพียงหมื่นเดียวคนที่มีพันหนมีหมื่นหนึ่งก็จ่ายเพียงพันเดียว ก็จะได้สวรรค์ชั้นเดียวกันดังนั้นมันขอให้เราเข้าใจว่าเราอย่าไปน้อยอกน้อยใจคิดว่าเรามีเงินน้อยเราจะไม่สามารถ <c oughs> ซื้อบ้านระดับสูงสูงได้เพราะว่าการซื้อบ้านในโลกทิพย์นี้เราไม่ได้ดูที่ตัวตัวเงินทองตัวจํานวนเงินอย่างเดียว เราวัดที่สัดส่วนของจํานวนเงินที่เราเสียสละไปถ้าเรามีร้อยเดียวเนี่ยถ้าเราบริจาคห้าสิบบาทเนี่ยเราได้ร้อยละห้าสิบะและ้วทำบุญร้อยละห้าสิบนี่คือเรื่องของการซื้อบ้านในสวรรค์ที่ในเรเรียกว่าระดับทิพ ย, ย์มีหระดับด้วยกันก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของเงินทองที่เรา นำเอาไปบริจาคเอาไปทำบุญไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขเงินอย่างเดียวอยู่ที่สัสดส่วนร้อยละเท่าไหร่เราทำบุญร้อยละเท่าไหร่เราก็จะได้ <c oughs> สมมติว่ามีสวรรค์หกชั้นนี้เราก็แบ่งทำบุญถ้าร้อยละหนี่เราก็ได้ขั้นที่หนึ่งถ้าถ้าเราทำ <c oughs> ร้อยละสองในหกนี่เราก็ได้ขั้นหนึ่ง ขึ้นอยู่ที่จำนวนสัดส่วนของเงินทองที่เราบริจาคไปหรือให้ไปดัง <c oughs> นั้นคนจนคนรวยนี้สามารถไปอยู่สวรรค์ชั้นเดียวกันได้ <c oughs> ถ้าบริจาคเงินในสัดส่วนของทรัพย์สินที่มีอยู่เท่ากัน <c oughs> คนรวยบริจาคทรัพย์สิน 50% ร้อยละ50คนจนบริจาคทรัพย์สินร้อยละ50 ก็ไปได้บ้านในระดับเดียวกันได้บ้านในได้สวรรค์เท่ากันแต่เงินที่จ่ายไปไม่เท่ากันเพราะคนที่มีทรัพย์สินน้อยกว่าก็จ่ายน้อยกว่าคนที่มีทรัพย์สินมากกว่าก็ต้องจ่ายมากกว่านี่คือบ้านที่เรียกที่เกิดจากการทำบุญทาทานในระดับต่างๆ <c oughs> เราจะเห็นได้จากการ ทำบุญของเราเอง <Yeah. S 2> เวลาเราทำบุญนี่ <Yeah. S 2> ถ้าเราทำน้อยเราจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยสุขใจอิ่มใจ <Yeah. S 2> เหมือนกับเวลาที่เราทำบุญมากๆ <Yeah. S 2> เวลาที่เราทำบุญมากเราจะเกิดความรู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจมากกว่า <Yeah. S 2> อันนี้แหละสวรรค์ก็คือความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการทำบุญทำทานของเรา <c oughs> yeah. แล้ว เราดูในตัวเราถ้าเราเราทําบุญร้อยละสิบนี่ความรู้สึกอิ่มใจสุขใจมันไม่เท่ากับทําบุญร้อยละห้าสิบหรอกถ้าเราทําบุญไปร้อยละห้าสิบนี่เช่นเรามีล้านหนึ่งเราทําบุญไปครึ่งหนึ่งเราทําไปห้าแสนก็แล้วกับถ้าเราทําบุญร้อยละสิบเราก็ทําบุญไปแค่แสนเดียวระหว่างแสนเดียวกับห้าแสนนี่ความรู้สึกมันจะต่างกันทําบุญเยอะๆในใจของเรานี้จะมีความสุขใจ ห่มใจความสุขใจอื่มใจนี้แหละคือที่จะเป็นบ้านเป็นสวรรค์ต่อไปเวลาที่เราไม่มีร่างกายแล้ว <c oughs> บุญนี้จะอยู่คู่กับใจของเรามันจะไม่หายไปมันไม่หมดไปเหมือนกับทรัพย์สินความสุขที่เราได้จากจากทางร่างกายความสุขทางร่างกายนี้เราได้ปป๊บเดียวมันก็หายไปแล้วเราไปเที่ยววันนี้พอกลับมาบ้าน ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวเมื่อวานนี้ก็หมดไปแล้ะแต่ความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานนี้มันจะยังอยู่ในใจของเราต่อไปบางทีเราลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทําไว้เราก็ยังเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเพราะมันยังไม่หมดนมันยังอยู่ในใจมันจะหมดก็ต่อเมื่อที่เราได้ไปไปไปอยู่ในสวรรค์แล้ว พอเราตายไปใจเราก็ไปอยู่บ้านไปอยู่ในบ้านชั้นสวรรค์ชั้นต่างๆ ต, ต, ตอนนั้นน่ะบุญที่เราได้ทำไว้มันก็จะค่อยๆลดลงไปลดลงไป <c oughs> แล้วต่อไปมันก็จะหมดลงได้พอบุญมันหมดเราก็จะไม่สามารถอยู่ในสวรรค์ได้เราก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจของพวกเรา เวลาที่เราตายไปถ้าเรามีบุญพาไปบุญก็จะพาเราไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆพอเราไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆเราก็ต้องเริ่มใช้บุญจ่ายเป็นเหมือนจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวบุญที่เราได้สะสมไว้ได้ทําไว้มันก็จะหมดลงพอหมดลงเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเราก็จะมาสะสมมาทําบุญกันใหม่ แล้วพอตายไปก็กลับขึ้นไปใหม่อีก <Yeah. S 1> นี่เกินในด้านของการทำบุญ <Yeah. S 1> เป็นการสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัย <c oughs> แต่ในทางตรงกันข้ามนี้ก็มีการกระทาที่แทนที่จะไปสร้างบ้านสร้างเรือนเราอาจจะกลับไปสร้างคุกสร้างตารางกันก็ได้ <Yeah. S 1> ถ้าเราทาบาปกัน <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่รักษาศีลกันเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อันนี้ถือว่าเป็นการที่เรากำลังไปสร้างคุกสร้างตารางกันเพราะว่าเวลาที่ <c oughs> ร่างกายตายไปใจที่มีทำแต่บาปไม่ได้ทำบุญนี้บาปก็จะพาให้ไปเกิดในอบายอบายก็เป็นที่อยู่เป็นเหมือนคุกตารางของใจที่ทำบาปจะเป็นที่อยู่ที่แร้นแค้นที่ทุกข์ยากลาบาก ที่มีแต่ความทุกข์ในรูปแบบต่างๆทุกด้วยความหิวโหวยทุกด้วยความหวาดกลัวทุกด้วยความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาท อ, อันนี้คือที่ไปของใจที่ไม่มีการรักษาศีลเขาเจ้าจึงสอนให้เรารักษาศีลกันนอกจากทำบุญทำทานแล้วเราต้องมารักษาศีลกัน<ส>เพื่อเหมือนากับการซื้อประกัน ถ้าเรารักษาศี่ทาได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายามเมาเราก็จะปิดประตูอบายได้หลายไปอบายสี่ก็จะไม่เป็นที่ที่เราจะไปกันอบายสี่ที่เกิดของดวงวิญญาณที่ทํำบาปได้แก่ไปเดรัจฉานเบรดอสุลกายและนรกอันนี้ เป็นสิ่งที่เราต้องทํากันนอกจากทําทานแล้วเราต้องรักษาศีลเพราะการรักษาศีลก็เป็นเหมือนกับการซื้อประกันภัยซื้อประกันว่าเราเวลาตายไปเราจะได้ไปสวรรค์อย่างแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ซื้อประกันไม่รักษาศีลเราทําบุญด้วยเราทําบาปด้วยเวลาที่ร่างกายตายไปนี้บุญกับบาปที่เราทํานี้มันจะมา แย่งดวงวิญญาณของเราฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะดึงดวงวิญญาณเราไปทางฝ่ายที่มีกำลังมากกว่าถ้าเราทำบาปบาปที่เราทำมีกำลังมากกว่าบาปมันก็จะดึงดวงวิญญาณของเราไปเอาบายกันไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นนอสุลกายหรือไปอยู่ในนรกกันแต่ถ้าบุญที่เราทานี้มากกว่าบาป บุญก็จะดึงให้เราไปอยู่สวรรค์ชั้นเทพกัน <c oughs> <c oughs> นี่คือที่มาของการทําทานและของการรักษาศีลการรักษาศีลนี้ก็เป็นเหมือนกับการซื้อประกันภัยถ้าเราซื้อประกันภัยรถยนต์เขาก็จะรับประกันว่าถ้าเกิดรถหายไปเขาก็จะหารถใหม่มาชดเชยให้ถ้ารถเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งไม่สามารถซ่อมได้เขาก็เปลี่ยนรถใหม่ให้เรา หรือประกันบ้านหรือประกันอะไรก็เหมือนกันประกันเพื่อที่ให้เราจะได้ไม่ต้องไปสูญเสียทรัพย์ที่เรามีอยู่เราทำบุญทาทานเพื่อซื้อบ้านในโลกทิพย์แล้วเราก็ต้องซื้อประกันด้วยเพื่อที่เราจะได้เวลาตายไปเราจะได้ไม่ถูกบาปดึงให้เราไปติดภูกรติกติดตารางเราก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพได้ วันที่เกิดจากการทำบุญทําทานอันนี้ก็คือ <c oughs> คือเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมบ้านเตรียมที่อยู่อาศัยให้กับดวงวิญญาณของพวกเรา <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรตว์ใทรงปฏิบัติแล้วก็ทรงแยกแยกร่างกายออกจากจิตใจแยกจิตใจออกจากร่างกายได้นั้นได้ วิเคราะห์ได้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวร่างกายนี้เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปในที่สุดแต่ใจที่มาครอบครองร่างกายหรือมาใส่ร่างกายนี้ไม่ได้ตายไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเนื่องจากว่าจิตใจนี้ไม่มีรูปร่างเหมือนกับร่างกายนั่นเองไม่ได้เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจากสิ่งต่างๆอย่างร่างกาย ร่างกายนี้ประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มารวมตัวกันแต่วันใดวันหนึ่งการรวมตัวของธาตุสี่นี้ก็จะสิ้นสุดลงจะมีการแยกตัวออกจากกั น, เ, นเวลาที่ธาตุสีแยกออกจากกันร่างกายก็จะต้องสูญสลายไปเ น, เ, นเช่นเวลาคนตายนี่ ธาตุลมก็ยุติการเข้ามาธาตุลมก็แยกตัวออกไปตามด้วยธาตุไฟคือความร้อนแล้วก็ตามด้วยธาตุน้ำเหลืออยู่แต่ธาตุดินนี่คือสภาพของร่างกายของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะรวยจะจนจะใหญ่หรือจะไม่ใหญ่ก็ตามมีทิศทางอันเดียวกัน เกิดแก่เจ็บตายไปด้วยกันทุกคน <c oughs> แต่ไม่มีตัวตนร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราคือผู้รู้ผู้คิดคือใจที่มาอาศัยมาครอบครองร่างกายนี้ไปหลงคิดเอาเองไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกาย <c oughs> แล้วเราก็เลยต้องมาทุกข์กับร่างกายเพราะเราเพราะเราคิดว่า เวลาร่างกายเป็นอะไรเราจะเป็นไปกับร่างกาย <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ท่งคนพบว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นใจเป็นดวงวิญญาณที่ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายกับร่างกายถ้าเราเอามาปฏิบัติเอามาสอนใจอยู่เรื่อยๆสอนตัวเราเองอยู่เรื่อยให้เราปล่อยวางร่างกายอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปถือว่าเป็นตัวเราของเรา แล้วเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไปนี้มันจะไม่ทำให้จิตใจเดือดร้อนเพราะจิตใจรู้ว่าจิตใจไม่ได้เป็นร่างกายนั่นเองอันนี้ก็เป็นความรู้ลึกของการปฏิบัติทำขั้นสูงต่อไปแต่ขั้นแรกนี้สำหรับผู้ที่มี <c oughs> ความสามารถน้อย ขั้นแรกก็สิ่งที่เราทำกันได้ก็คือทำบุญทาทานและรักษาศีลห้ากันถ้าเราทำบุญทาทานและรักษาศีนห้าได้เราจะได้บ้านสวรรค์ชั้นเทพกันซึ่งมีอยู่หกชั้นด้วยกันอยู่ที่ว่าเราจะทำมากทำน้อยขอให้เราคิดถือว่าเงินทองนี้เวลาตายไปนี้เราจะเอาไปไม่ได้อาจจะไปซื้อบ้านตอนที่เราตายแล้วไม่ได้เอาเงินนี้ไปซื้อบ้านในโลกทิพย์ไม่ได้ ถ้าอยากจะซื้อบ้านในโลกทิพย์ต้องซื้อตอนนี้ถ้าเราไม่ซื้อตอนนี้เวลาตายไปเงินที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลย<ม>กลายเป็นเงินของคนอื่นไป<ม>พอเราตายไปทรัพย์สินที่เรามีอยู่นี้ก็กลายเป็นของทายาทของเราไป <c oughs> แต่ถ้าเราเอามาซื้อ <c oughs> ซื้อบ้านในโลกทิพย์นี่มันก็จะเป็นทรัพย์ของเราต่อไป <c oughs> ่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะได้ไม่เสียดายเงินทองที่เราจะเอาไปใช้กับการทำบุญทำทานเพราะเราไม่ได้สูญเปล่ามันไม่ได้สูญเปล่านั่นเองการทำบุญทำทานนี้ไม่ได้เป็นการสูญเปล่าเป็นการไปซื้อบ้านในอนาคตของเราที่อยู่อาศัยที่จะ่กเครื่องอานวยความสความสุขความสบายต่างๆให้กับใจของเราถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะไม่เสียดายเงินไปกับการทาบุญทาทาน <C oughs> เหมือนกับเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศนี้เราไม่เสียดายเงินทองที่เราเสียไปกับการไปเที่ยวต่างประเทศเพราะเราไปรู้ว่าเราไปแล้วเราได้ความสุขจากการไปเที่ยวเอาเงินไปจ่ายค่าโรงแรมเอาเงินไปจ่ายค่าเครื่องบินเอาเงินไปจ่ายค่าอาหารค่าอะไรต่างๆแล้วเราก็ได้ไปต่างประเทศได้ไปเที่ยวกันได้มีความสุข เงินที่เราไปใชก้กับการท่องเที่ยวเราจึงไม่เสียดายกันเรายินดีที่จะจ่ายกันบางคนพร้อมที่จะจ่ายถึงขั้นระดับออขั้นสูงสุดเออนี่ขึ้นเครื่องก็ต้องนั่งอยู่ชั้นหนึ่ง <Yeah. S 1> อยู่โรงแรมก็ต้องอยู่ระดับห้าดาว <Okay. S 1> ตำนองนี้เพราะเขารู้ว่าเขาจะได้รับความสุขจากการที่เขาเสียเงินเสียทองของเขาไป <Yeah. S 1> ขอให้เรามองแบบนี้ มองแบบว่าเวลาที่เราตายไปแล้วเนี่ยเงินทองที่เราใช้ทําบุญนี้ก็เหมือนเหมือนกับเงินทองที่เราจะเอาไปใช้ในเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศโลกทริปที่เราจะไปนี้ก็เป็นเหมือนโลกต่างประเทศ <c oughs> ที่จะเป็นจะต้องมีเงินทองไว้ใช้จ่าย <c oughs> เงินทองที่เราจะเอาใช้จ่ายติดตัวกับเราไปได้ก็คือบุญที่เราทํากันนี้เอง <c oughs> ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่หวงเงินกับการทําบุญทําทาน เราจะรีบทำบุญทำทานกันเพราะเราไม่รู้ว่าความตายนี้มันจะมาถึงเราเมื่อไหร่ mm. เราอย่าประมาท mm. อย่าไปคิดว่าเราจะอยู่กันไปจนถึงอายุ8ปดสิบเก้าสิปี mm. เพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้ mm. คนตายนี่มีทุกอายุทุกวัยทุกวันทุกเวลา mm. เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกสถานที่ mm. ให้คิดอย่างนี้ไว้ ถ้าเราไม่รีบทำบุญกันเสียแต่บัดนี้เดี๋ยวเวลาเกิดเราตายไปอย่างกระทันหันนี่ <c oughs> เราจะไม่มีบุญติดตัวไปเราจะไม่มีบ้านไม่มีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้านะนี่คือวิธีการคิดเพื่อที่จะทำให้เรานี่ไม่เสียดายกับทรัพย์สินสมบัติมมตข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีอยูนะ่เราจะได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้าในอนาคต ถ้าเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเหล่านี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณหรือเป็นจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปดวงวิญญาณของเรานี้ก็จะต้องอาศัยบุญที่เราทํานี้เป็นผู้ที่จะอํานวยความสุขความสบายให้กับเราเวลาที่เราอยู่ในโลกทิพย์กันอันนี้คือบ้านในระดับชั้นเทพ ซึ่งเป็นบ้านที่มีความสุขในระดับต้นๆแต่ยังมีบ้านที่ให้ความสุขสูงกว่านั้นอีกอยู่สองสองระดับด้วยกันคือบ้านระดับสวรรค์ชั้นโคมแล้วบ้านระดับชั้นนิพพานชั้นของพระอริยเจ้าที่เราสามารถที่จะซื้อได้จากการที่เรา ทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า <Yeah. S 2> บ้านที่เราจะซื้อ <Yeah. S 2> ที่มีความสุขมากกว่า <Yeah. S 2> บ้านของระดับชั้นเทพนี้เราเรียกว่าบ้านระดับชั้นพรหมหรือสวรรค์ชั้นพรหม <Yeah. S 2> ที่จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากวิธีการปฏิบัติธรรม <Yeah. S 2> ไม่ได้เกิดจากการใช้เงินทอง yeah. Yeah. ยิง่งยิ่งอยากจะได้ความสุข <Yeah. S 2> ได้บ้านที่มีความสุขมากขึ้นในโลกทิพย แทนที่จะต้องใช้เงินทองกับไม่ต้องใช้เงินทองเลยแต่ต้องใช้ความ <c oughs> ความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติที่จะคอยควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ได้เ <c oughs> นี่ยถ้าเราอยากจะได้บ้าน <c oughs> ที่มีความสุขมากกว่าบ้านระดับชั้นเทพคือบ้านระดับชั้นพรหมนี้สิ่งที่เราต้องทำกันก็คือปฏิบัติภาวนา ขั้นแรกภาวนานี้มีแบ่งไว้สองขัน้นด้วยกันคือสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาคำว่าภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจให้มีความสงบให้มีความสุขมากขึ้นและให้มีความรู้ความฉลาดมากขึ้นมีแบ่งไว้สองขั้นขั้นแรกคือพัพฒนาจิตใจให้มีความสงบให้มีความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการ <c oughs> เสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพะรชนิดต่างๆแล้วขั้นที่สองของการภาวนาก็คือการเสริมทักษะเสริมความรู้ให้กับจิตใจให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ ไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้อย่างถาวรแต่เราอยากจะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ถาวรเราต้องละการหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อันนี้ <c oughs> คือวิธีการปฏิบัติที่เรียกว่าภาวนาขั้นต้นนี้เราต้องการสร้างบ้านระดับสวรรค์ชั้นพรหมก่อนการที่เราจะทําให้มีสวรรค์ชั้นพรหมขึ้นมาในใจเรา ก็คือการที่เราปฏิบัตินั่งสมาธ <c oughs> ิเพื่อทำใจให้สงบให้สามารถเข้าสู่ฌานในระดับต่างๆได้ฌานก็มีอยู่สองระดับรูปฌานกับอรูปฌาน <c oughs> ถ้าเราได้รูปฌปานเราก็จะได้สวรรค์ชั้นรูปอภุมถ้าเราได้อรูปฌปานเราก็จะได้สวรรค์ชั้นอรูปอภุม ซึ่งมีความสุขมีความละเอียดต่างกันสวรรค์ชั้นรูปปภมนี้มีความสุขมีความละเอียดน้อยกว่าความสุขของระดับสวรรค์ชั้นอรูปปภมและการที่เราจะได้สวรรค์ทั้งสองชั้นนี้สิ่งที่เราต้องมีก็คือเราต้องมีการรักษาศีลของนักบวชกันคือเราต้องรักษาศีลแปดขึ้นไป สินหานี้ไม่พอเพียงต่อการที่จะสนับสนุนให้ใจสร้างความสุขในระดับพรมได้เพราะว่าจะต้องมีใช้เวลามากให้กับการควบคุมใจให้นิ่งให้สงบ <c oughs> การที่จะทําให้ใจนิ่งให้สงบนี้ใจจะต้องยุติกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกาย <c oughs> ยุตยิการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นแล้วบทพัชชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปใช้กับกิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้งกายนี้มาให้กับการทำใจให้สงบนี้ยึงจำเป็นจะต้องมีการถือศีลแปดคือเพิ่มจากศีลห้าขึ้นมาอีกสามข้อแล้วก็เปลี่ยนศีลข้อที่สามของศีลห้า จากการไม่เสพไม่จากการไม่ประพฤติผิดประเพณีให้มาเป็นการไม่ร่วมเสพหลับนอนกับใครไม่ร่วมหลับนอนกับใครคือศีลของศีลแปดอัปปรมัจริยาคือจะเป็นโสดไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่เป็นสามีไม่เป็นภรรยากับใครไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันเอาเวลาที่ใช้กับการหาความสุขร่วมหลับนอนนี้ ไปใช้กับการปฏิบัติภาวนา <c oughs> ไปทำใจให้สงบให้นิ่งให้มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการร่วมหลับนอนกันอันนี้เราจึงต้องมีเวลาเราเลยต้องมีการละเว้นการกระทำกิจกรรมทางกามทางตาหูจมูกเล่นกายศีลข้อสาก็ธรรมดาถ้าถือศีลห้าศีลข้อสามนี้ยังร่วมหลับนอนกันได้ เพียงแต่ว่าให้ร่วมหลับนอนกับสามีกับภรรยาของตนเท่านั้นแต่ถ้าถือศีลแปดแล้วศีลข้อสามนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นไม่มีการร่วมหลับนอนกับใครเลยจะจะถือศีลโสดจะจะจะจะเป็นคนโสดจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็มาถือศีลข้อหกเพิ่มศีลข้อหกก็คือให้เราละเว้นจากการหาความสุขจากการ รับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายร่างกายนี้ต้องการอาหารเราก็ให้อาหารให้ร่างกายเหมือนกับเวลาที่เราให้ยาเวลาเรากินยาเราก็กินเป็นเวลากินตามปริมาณที่ที่พอเหมาะกับความต้องการของร่างกายฉะนั้นการกินอาหารก็ถ้ากินแบบกินยากินแค่มือ้อสองมื้อก็พอเช่นให้กินไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วหลังจากเที่ยงวันก็ไม่ต้องกินอาหารแล้ว เพราะว่าถ้าเรากินมื้อหนึ่งหรือสองมื้อนี้ก็พอเพียงต่อการดำรงชีพของร่างกายร่างกายอยู่ได้ไม่ตายรับประกันได้ <c oughs> เพที่เราจะได้ไม่มีปัญหากับการรับประทานอาหารเพราะถ้าเรารับประทานอาหารมากเกินไปนี้ <c oughs> เวลาที่เราจะมาปฏิบัติธรรมมาทําใจให้สงบมานั่งสมาธินี้มันจะเป็นอุปสรรคมันจะทําให้เราเกิดความเกลียดค้านเกิดความง่วงนอนขึ้นมา เวลาเรารับประทานอาหารมากๆท้องจะอิ่มหนังหนังท้องจะตึงแล้วหนังตาจะหย่อนเวลานั่งสมาธินั่งเราจะสบะงบการที่จะนั่งแล้วจิตจะสงบจิตจะหลับไปจึงจําเป็นที่จะต้องมีการลดการรับประทานอาหารลงไปให้รับประทานพอต่อความต้องการของร่างกายคือให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอไม่ต้องกินให้อิ่มแลไม่ต้องกินทั้งสามสี่มือไม่ต้องกินตามความอยาก การกินตามความอยากนี้จะเป็นปัญหาเพราะมันจะทำให้เวลานั่งสมาธินี้มันนั่งไม่ได้เพราะใจจะคิดแต่เรื่องของการกินอยู่เรื่อยๆพอจะนั่งสมาธิพอนึกถึงขนมขึ้นมานึกถึงเครื่องดื่มขึ้นมาก็ทำให้นั่งต่อไปไม่ได้ต้องลุกขึ้นไปหาขนมมารับประทานต้องหาเครื่องดื่มมาดื่มก็เลยต้องถือศีลข้อหกนี้กัน คือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะรับประทานมื้อหนึ่งก็ได้สองมื้อก็ได้แต่ไม่ควรจะรับประทานมากเกินความต้องการของร่างกายเพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติต่อการทำจิตใจให้สงบเพราะถ้าเรากิกนอิ่มแ่้วเราจะรู้สึกมีความเกลียดคันไม่อยากจะเดินจบไม่อยากจะเดินจงกรมไม่อยากจะเจริญสติไม่อยากจะนั่งสมาธิ อ, อยากจะนอน แต่ถ้าเรากินแบบไม่มากกินพอให้ดับความหิวเท่านั้นไม่ต้องกินให้ถึงกับอิ่มเนีย่ยร่างกายพอมันมีความหิวเราก็กินไปพอรู้สึกว่าความหิวหายไปแล้วเราก็หยุดกินหยุดกินแล้วก็ดื่มน้ําเข้าไปถ้าอยากให้มันอิ่ม <c oughs> ให้มันอิ่มด้วยน้ําอิ่มด้วยน้ํานี้มันไม่มีไม่มีปัญหาอะไรอิ่มเดี๋ยวเดียว <c oughs> นะอันนี้ก็คือวิธีการสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะ สร้างบ้านหรือซื้อบ้านระดับพรหมที่มีความสุขมากกว่าบ้านระดับเทพเนี่ยเราก็ต้องรักษาศีล8กันศีงข้อเจก็คือการไม่ไปหาความสุขจากการบันเทิงต่างๆมอหมหอรสศบบันเทิงต่างๆไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องละเว้นเพราะว่าถ้าเราไปหาความสุขจาก สิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมกัน น, นั่นเองไม่มีเวลามาสร้างบ้านสร้างสวรรค์ชั้นพรมกันเพราะเรายังไปหาความสุขของระดับเทพกันอยู่เทพนี้ยังเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันอยู่ <c oughs> แต่ถ้าเราต้องการความสุขที่เหนือกว่าความสุขระดับเทพเราก็ต้องละเว้นการหาความสุขทางจาหูจมูกลิ้นกายละเว้นการดูมหรสพบันเทิงต่างๆ แล้วสียงข้อที่แปดก็คือเราต้องไม่หาความสุขจากการหลับนอนเราหลับนอนเพื่อเป็นการพักผ่อนร่างกายเวลาร่างกายเหน็ดเหนื่อยร่างกายก็อยากจะพักผ่อนถ้าเราพักผ่อนหลับนอนเพื่อร่างกายนี้เราก็ไม่ต้องหลับนอนมากร่างกายพอได้นอนเพียงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้าเรานอนบนบนเตียงสำราญ บนฟูกหนาๆที่มีความสุขมีความสบายเวลาร่างกายได้พักผ่อนแล้วตื่นขึ้นมาแล้วจะไม่อยากจะลุกเพราะมันสบายก็อยากจะนอนต่อก็จะเสียเวลาให้กับการปฏิบัติไปถ้าเราไม่อยากจะเสียเวลาให้กับการปฏิบัติเราก็ต้องนอนบนบนเตียงที่ไม่สบายนอนบนเตียงที่มีพื้นแข็งๆหรือนอนกับพื้นก็ได้ปูด้วยผ้าปูด้วยเสื่อ มันก็จะทำให้เราไม่นอนมากพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจก็ไม่อยากจะนอนต่อเพราะว่าที่นอนมันไม่สบายที่นอนมันแข็งอันนี้เป็นการหยุดหยุดการหาสแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่เราจะได้มีเวลามา <c oughs> สร้างบ้านสวรรค์ชั้นพรมกันการที่เราจะสร้างบ้านสวรรค์ชั้นพรหด้ น, นี้ เราต้องทำจิตของเราให้สงบให้นิ่งให้ได้จิตของพวกเรานี้ปกติไม่เคยนิ่งไม่เคยสงบเลยตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมานี่จิตเราเริ่มคิดมาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้นคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดแล้วก็ไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้นทำเสร็จแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกก็ไปทำถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกทไปจนทั้งถึงเวลาเหนื่อยง่วงๆหลับนอนก็มาพักผ่อนหลับนอน ขณะหลับนอนบางทีก็ยังไม่หยุดคิดเนี่ยนอนหลับไปแล้วก็ฝันกันความฝันนี่ก็เกิดจากความคิดของเราเนี่ยฝันถึงเรื่องนั้นฝันถึงเรื่องนี้ฝันถึงคนนั้นฝันถึงคนนี้แสดงว่าใจของเรานี้ไม่เคยได้หยุดคิดเลยไม่เคยสงบเลยไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขอันเลิศอันวิเศษที่มีอยู่ในตัวของเราเลยความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่พระเจ้าบอกว่าเป็นความสุขที่ เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแต่พวกเรานี้ไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสเลยเพราะเราอาจจะไม่รู้ไม่มีใครสอนแล้วเรามัวแต่วุ่นวายไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายจนกระทั่งเราลืมไปว่าเรามีความสุขที่ดีกว่าอยู่ในตัวของเรา <Yeah. S 1> จนกว่าเราได้มาได้ยินได้ฟังธรรมได้ศึกษาธรรมะคำสอน ได้ยินเรื่องของการฝึกสมาธิได้ยินเรื่องของการนั่งกรรมฐานได้ยินถึงเรื่องของการเจริญสติการเจริญปัญญาเราถึงจะเข้าเข้าถึงความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่มีอยู่ในตัวของเรานี้แต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสุขอันเลิศอันประเสริฐและมีอยู่ในตัวของเราก็ตามแต่การที่จะเข้าถึงมันนี้ก็ไม่ใช่เป็นของที่ง่ายดายเนื่องจากว่าเรา <c oughs> ไม่เคยหยุดคิดกันนั่นเอง และเวลาที่เราจะมาฝึกให้จะหยุดคิดมันก็ไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะว่ามันเป็นของที่เราไม่เคยทำกันเรารู้จักคิดแต่เราไม่รู้จักหยุดคิดกันพอให้เรามาหยุดคิดนี่เวลาฝึกจริงๆนี่บางทีหยุดคิดได้แค่สองสามวินาทีแล้วก็ไปคิดต่อแล้วแต่ถ้าเราพยายามฝึกไปเรื่อยๆพยายามไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วเราก็จะสามารถหยุดความคิดได้ ถ้าเราหยุดความคิดได้ใจเราก็จะเกิดความนิ่ง <N un> เกิดความสงบ <N un> เกิดความสุขขึ้นมา <N un> <Okay. S 1> นี่แหละคือการสร้างบ้านในสวรรค์ระดับสวรรค์ชั้นพรม ม, มีอยู่สองระดับระดับรูปประรมกับรูปประพรม <N un> ก็คือระดับรูปประชานและอรูปประชานความสงบนี้เราเรียกฌานฌาน ข, นขั้นต่างๆฌานความสงบขั้นรูปประชานความสงบขั้นอรูปประชานความสุข ความสงบก็คือความสุขใจที่เกิดจากความสงบนี่เองมีอยู่สองระดับระดับรูปฌานและก็ระดับอรูปฌานการที่จะทำให้ใจเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้นี้เราจำเป็นจะต้องมีสติเป็นผู้คอยหยุดความคิดสตินี้ก็เป็นเหมือนของเบรกรถยนต์นี่เองเวลาเราขับรถยนต์นี้เราต้องมีเบรกันเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องมีการหยุดรถ เช่นขับรถมาถึงสี่แยกไฟแดงเราก็ต้องหยุดถ้าเราไม่มีเบรกรถก็จะไม่หยุดถ้ารถไม่หยุดรถก็จะวิ่งไปแล้วก็อาจจะไปชนกับรถคันอื่นได้เนีเราจึงต้องมีเบรกกันทุกครั้งที่เราขับรถนี้เราจะต้องตรวจตาดูกันว่าเบรกเราใช้ได้หรือเปล่าเหยียบเบรกแล้วมันหยุดหรือเปล่า <c oughs> ถ้ามันไม่หยุดนี่เราก็ใช้รถไม่ได้ลนะเราต้องเอารถเข้าอู่ไปไปใส่เบรกหรือไปซ่อมเบรกก่อน อย่ใดการที่เราจะทำใจของเราให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาให้มีความสุขขึ้นมาได้นีเราจาเป็นจะต้องมีเบรกที่จะมาหยุดความคิดต่างๆเบรกที่จะหยุดความคิดของใจนี้เราเรียกว่าสติ <c oughs> เราต้องมีสติสตินี้คืออะไรคือสติของเรานี้จะต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวถ้าเราใจเราจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่เราจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องอื <Gym. S 1> <to> <rainforest> ่นได้เจนถ้าเราให้จดจ่ออยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเรานึกถึงพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเราจะมานั่งคิดถึงเงินเดือนคิดนั่งคิดถึงสถานที่เราจะไปเที่ยวหรือไปกิจกรรมอะไรต่างๆที่เราจะไปทํานี้ทําพร้อมกันไม่ได้ถ้าเราอยู่กับพุทโธเราจะคิดเรื่องอื่นไม่ได้แต่ถ้าเราถ้าเราไม่อยู่กับพุทโธ เราเราก็จะเผลอไปคิดเรื่องอื่นได้เ <Yeah. Yeah. S 1> สติบเบื้องต้นนี้มันจะไม่ค่อยต่อเนื่องเพราะเราไม่เคยฝึกมาก่อนพุทธโธได้สองสามคำเดี๋ยวก็เผลอละเ <Yeah. S 1> ผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ละ <Yeah. S 1> เราก็ต้องหมั่นฝึกอยู่เรื่อยๆ <Yeah. S 1> การฝึกสตินี้ไม่ได้หมายความว่าเราทําแต่เฉพาะช่วงที่เรานั่งสมาธิเท่านั้น <Yeah. S 1> เราต้องทําในช่วง ท, ทุกช่วงเลยทุกเวลาเลยในขณะที่เราเตื่นขึ้นมา จนถึงเวลาหล้วการที่เราจะสามารถเจริญสติได้ทั้งวันทั้งคืนนี้เราจำเป็นต้องทำในวันที่เราไม่มีภารกิจการงานต่างๆเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดทำงาน <c oughs> แล้วเราไปหาที่ที่สนับสนุนของการเจริญสติ <c oughs> ก็คือไปอยู่ตามวัดปฏิบัติต่างๆล้วไปอยู่ตามวัดปฏิบัตินี้ <c oughs> เขาจะจัดที่อยู่ให้เราอยู่คนเดียวไม่ให้เราไปเกี่ยวข้องกับใครไม่ให้เรามีโอกาสที่จะไป คิดกับคนนั้นคิดคนนี้คือคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้นั่นเองให้เราอยู่คนเดียวแล้วให้เราเจริญสติให้คอยหยุดความคิดทำตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยโดยที่เราไม่ต้องมีภารกิจอะไรต้องทานอกจากภารกิจจำเป็นเช่นการเลี้ยงดูร่างกายอาบน้าทาความสะอาดร่างกายและดูแลสถานที่ที่เราอยู่ท่านั้นเอง แต่การทำงานเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความคิดมากเพียง <c oughs> <c oughs> แต่รู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้วเราก็ทำไปได้เลย <c oughs> นี่แหละคือถ้าเราอยากจะปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลจริงๆนี้เราจำเป็นจะต้องไปหาที่ที่สงบที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติเป็นสถานที่ที่วิเวกคือที่เราอยู่คนเดียวไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครถ้าจะเกี่ยวข้องบ้างก็เฉพาะบางเวลา เเวลาที่เราต้องมาร่วมรับประทานอาหารกันหรือเวลาที่เราจะต้องมาฟังเทศฟังธรรมอะไรกันเท่านั้นแต่ถ้านอกจากนั้นแล้วขอให้เราได้อยู่คนเดียวถ้าเราอยากจะฝึกสติอยากจะทำให้ใจของเรานี้อยู่กับพุทธโธพุทธโธได้อย่างต่อเ น, นื่องไม่เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องอยู่คนเดียวแล้วต้องต้องไม่มีอะไรให้เราทำถ้าเราสามารถไปอยู่ที่อย่างนั้นได้ โอกาสที่จะทำให้ใจเราหยุดคิดได้นี้ก็จะง่ายขึ้นจะมากขึ้นแล้วเวลาที่เรามานั่งสมาธิ<ม>เราก็ใช้พุโทโธเหมือนเดิ ม, มต้องพุโทโธพุโทโธคอหยุดความคิดไปเรื่อย<ม>ถ้าเราสามารถทำให้ใจหยุดคิดได้อย่างต่อเ น, นื่องไม่นานเพียงห้านาทีใจก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาได้ใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบ แล้วใจก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกับความสุขทั้งกลวงจะมีความรู้สึกแปลกประหลาดมาสะท้านใจว่าความสุขต่างๆที่เราเคยได้มาจากสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นมันสู้กับความสุขที่เราได้จากการทําใจของเราให้สงบไม่ได้เลยแล้วก็เป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองซื้อไม่ต้องไปดิน้นรนไม่ต้องไปเหน็ดเหน่อยกับการทํามาหากินหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอาเงินเทองไปซื้อความสุข เก่าจากสิ่งต่างๆความสุขที่ได้จากการซื้อของสิ่งต่างๆมานี่มันสู้กับความสุขที่เกิดจากการเจริญสติไม่ได้การใช้สติเพื่อทำใจให้สงบนี้เป็นสิ่งที่เป็นผลที่วิเศษที่สุดเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง <c oughs> ถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้ครั้งแรกแล้วเราก็จะมีกำลังใจมีความยินดีที่จะทาให้มากขึ้น เราก็อาจจะเพิ่มวันของการปฏิบัติให้มากขึ้นโดยการลดการทํางานลดการหาเงินหาทองหาความสุขให้น้อยลงเพราะเราเห็นว่าความสุขที่ได้จากเงินทองนี้มันสู้ความสุขที่เกิดจาก <c oughs> <c oughs> การทําใจให้สงบด้วยสติของเราไม่ได้ถ้าเราได้สัมผัสกับความสงบที่เกิดจากความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็อยากจะทําให้มากขึ้นต่อไปเราก็อาจจะเพิ่มวัน ของการปฏิบัติให้มากขึ้นมากขึ้นไปต่อไปเราก็อาจจะหยุดยุติการอยู่แบบผู้ครองเรือนก็ได้เป็นคนที่เข้าไปบวชกันนี้เพราะว่าเขาได้ทดลองลเขาได้ศึกษาได้ลองปฏิบัติมาก่อนแล้วและเขาได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากความสงบทำให้เขาเห็นเขามีข้อเปรียบเทียบ ความสุขที่ได้จากเงินทองกับความสุขที่ได้สตินี้มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินมันถึงทำให้เขานี่อยากจะหาความสุขที่เกิดที่เกิดจากการใช้สติมากขึ้นไปให้มากขึ้นไปจนในที่สุดเขาก็จะสามารถที่จะออกบวชได้เพราะว่าเขาสามารถอยู่แบบนักบวชได้อยู่ยังมีความสุขได้เพราะเขามีสติที่จะคอยกากับใจ ให้นั่งอยู่ให้ให้ตั้งอยู่ในความสงบอยู่ทั้งวันทั้งคืนได้ถ้าเขาสามารถทำใจให้สงบได้ทั้งวันทั้งคืนเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องไปหาความสุขจากการใช้เงินทองซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆมาบารุงบำเรอใจอต่อไปเขาก็เลยเห็นว่าการอยู่แบบค า, ารวะเพื่อทำมาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทองเพื่อเอาเงินทองมาซื้อความสุขต่างๆนี้ มันเป็นเรื่องที่ <c oughs> สู้การไปอยู่แบบนักบวชไม่ได้อยู่แบบนักบวชแล้วใช้สติหาความสงบหาความสุขนี้จะได้ความสุขที่เหนือกว่าและเป็นความสุขที่จะติดตัวต่อไปนั่นเอ ง, เ, อง <c oughs> เป็นบ้านของดวงวิญญาณ <c oughs> หลังจากที่ <c oughs> หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็จะได้อาศัยความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้เป็นบ้าน ใจสงบนี้ก็มีอยู่สองระดับระดับสมาธินี้เรียกเป็นระดับชั่วคราวเพราะว่าเวลาออกจากสมาธิมาความสงบนี้ก็จะค่อยๆจางหายไปพอจางหายไปเราก็ต้องกลับเข้าสมาธิใหม่เหมือนน้ําเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาเราออกมาไว้ข้างนอกตู้เย็นสักพักมันก็จะหายเย็นถ้าเราอยากจะให้มันเย็นเราก็ต้องเอากลับเข้าไปแช่ใหม่แต่มีอีกวิธีหนึ่งที่จะทําทให้ใจเราเย็นตลอดหลังจากที่ออกจากสมาธิ โดยที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องเข้าไปในเข้าไปในสมาธิก็คือปฏิบัติขั้นต่อไปคือขั้นขั้นปัญญา <Ừ. S 1> ปัญญาก็คือสอนให้เราเห็นว่าความไม่สงบของใจนี้เกิดจากความอยากในสิ่งต่างๆถ้าอยากจะให้ใจสงบอย่างตลอดก็ต้องคอยกำจัดความอยากที่ยังมีอยู่ในใจให้หมดไปความอยากได้ลาบยศรเสรินความอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ความอยากได้ความสุขจากรูปประชาณรูปประชานเราก็ต้องละมันให้ได้เพราะความสุขเ่านี้ยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาและละได้ต่อไปความอยากต่างๆที่มาคอยทำลายความสงบที่เราได้จากสมาธิมันก็จะไม่มีพอไม่มีตัวความอยากมาทำลายความสงบใจของเราก็จะสงบไปตลอดโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ ใจที่สงบโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธินี่เราเรียกว่านิพานเป็นบ้านที่ถาวรเป็นความสงบที่ถาวรที่จะอยู่กับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด <c oughs> อันนี้แหละเป็นบ้านที่เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดก็คือสวรรค์ชั้นนิพานจะได้สวรรค์ชั้นนิพานก็ต้องขั้นต้นต้องได้สวรรค์ได้สวรรค์ชั้นพรหมจากการทําสมาธิก่อนพอได้ได้สวรสวรค์ชั้นพรหมจากการสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญามารักษา สวรรวชั้นพรหมนี้ให้กลายเป็นนิพพานต่อไปด้วยการกําจัดความอยากต่างๆที่ยังเกิดที่ยังมีเหลืออยู่ในใจให้หมดไปพอความอยากต่างๆหมดไปแล้วใจก็จะมีแต่ความสงบไปตลอดก็จะอยู่อย่างนั้นไปไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาทำบุญทำทานไม่ต้องมารักษาศีลไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมอีกต่อไปนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้กับพวกเรามาทากัน คือคันธะทุระและวิปัสนาธุระคันธะก็คือการศึกษาวิธีการปฏิบัติทานศีลภาวนาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเรียกว่าวิปัสนาคันวิปัสนาทุระทำให้แจ้งทำให้ปรากฏขึ้นมาด้วยการปฏิบัติทำให้ผลของทานปรากฏขึ้นมาทำให้ผลของศีลปรากฏขึ้นมาทาให้ผลของการภาวนาปรากฏขึ้นมา so พอปรากฏขึ้นมาเราก็จะได้ความสุข ได้บ้านที่อยู่อาศัยที่ถาวรต่อไปการแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรออยากถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุ ป, ปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจโต สัพเพปุลเณนตูสังกปาจันโทปนารัสโยยะตาไม่โชติ อะระโสยะธาสัพีติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตาราโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธนศีริสานิจังวุฒาปะจายเลจตารูธรรมวาทานติอายุวันุสุขัง ช่วงต่อไปนี่ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามอยากจะรู้ก็ขอเชิญถามได้เป็นช่วงที่สะดวกที่สุดเพราะหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สามารถที่จะตอบคุยกันได้ังั้นเอตอนนี้เขียนมาใส่ข้อความส่งเข้ามาทางกระดาษก็ได้ทางมือถือก็ได้ วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง f a c e b o o ห้า4้อสิบี่ท่าน YouTube พระอาจารย์330อสาสิบท่าน YouTube ดรวเจิบเจ็ดท่านวิทยออนไลน์6ท่าน c ลับ h ฮ u s ์สิบท่านหน้ากุติร้อยสาสิบท่านรวมทั้งหมดหนึ่งพันหกิเจดท่านครับอาจารย์โอเคอท่านทีอยากจะถามก็ถามมา มีคำถามจากหนากุติค่ะเรียนพระอาจารย์ผมนายดำรงและนางวราดาปิ่นภูวดลลงทุนทำธุรกิจร้านกาแฟาร่วมกับเพื่อนที่เป็นเจ้าของที่ดินลงทุนคนละ 3.7 ล้านบาทรวม 7.4 ล้านบาทเปิดกิจการเมื่อวันที่1ธันวาคม2565นี้ เพื่อนที่ร่วมทำธุรกิจมีข้อขัดแย้งในวิธีการทำงานเขาเห็นว่ามีกำไรน้อยต้องปิดกิจการเอาที่ดินคืนเพื่อไปให้คนอื่นเช่าจะได้เงินมากกว่าขอพรหลวงพ่อช่วยชี้แนะหาทางออกด้วยค่ะถามเราทำไมก็ต้องไปถามคนที่เรามีปัญหาด้วยใจะเอากันยังไงแล้วตกลงกันนะนะก็ทาใจเถิดนเะาเขาจะเอาคืนไม่ใช่ของเราก็คืนเข้าไป เราก็ไปหาใหม่ข้างหน้าได้อย่าไปทุกข์กับมันเลยอย่าไปกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่เปิดประโยชน์เเขาอยากยาวคืนถ้าเป็นสิทธิ์ของเขาก็ยกคืนเขาไปถ้าเรายังมีสิทธิ์ที่จะเอาไว้ได้ก็ใช้สิทธิ์ของเราไปแล้วแต่จากท่านต่อไปนะคะนั่งสมาธิแล้วเคยเกิดสภาวะคิดต่อไม่ได้คือความคิดหยุด แบบคิดต่อไม่ได้จึงดูลมหายใจอย่างเดียวสภาวะความสงบเช่นนี้ใกล้จะเห็นผู้รู้เด่นชัดไหมครับนั่นแหละถ้าหยุดคิดได้มันก็จะเห็นผู้รู้ขึ้นมาเองเราทําสมาธินี่เราไม่ต้องการจะคิดเนี่ยถ้ามันถ้ามันคิดไม่ได้ถือว่าดีแล้วถือว่าใกล้นะอย่าคิดนะท่านต่อไปค่ะ ลูกนั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วควรเจริญปัญญาทุกครั้งไหมคะต้องเจริญปัญญาอย่างไรถึงจะได้ไปสู่ปัญญาขั้นสูงคะ อ, อ๋อไม่ควรเจริญปัญญาเลยเวลานั่งสมาธิควรจะประคองความสงบให้ไปนานๆความสงบนี้มันเป็นพลังของจิตมีความสงบมากก็จะมีพลังมากเพราะเราจะต้องใช้พลังจิตนีสู้กับกิเลสเวลาเราใช้ปัญญานั้นตอนนี้ไม่ใช่เวลาใช้ปัญญา เวลาทำสมาธินี่เป็นเวลาที่เราจะให้จิตนิ่งให้สงบให้ได้นานๆอยากจะใช้ปัญญารอให้ออกจากสมาธิก่อนแล้วมาพิจารณาอาการสามที่สองของร่างกายก็ได้พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายก็ได้พิจารณาซ้ำๆบ่อยๆให้มันจดจำให้มันเห็นพยายามมองให้เห็นทั้งสามที่สองอาการเนี่ยเห็นคนแล้วต้องมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเลยเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นไต มันจะได้ทำลายความเห็นว่าสวยงามของร่างกายไปแล้วความรักความยินดีความยึดติดในร่างกายมันก็จะเบาบางลงไปคําำถามจากท่านต่อไปมีสองข้อค่ะข้อแรกเทวดาและพรหมสามารถทาบุญและปฏิบัติธรรมได้ไหมครับยากเพราะมันเป็นที่ไ ป, ไปรับผลบุญกันนอกจากถ้าเป็นระดับของอริยเจ้านี่สามารถปฏิบัติต่อได้ ข้อที่สองค่ะถ้าตายแล้วอยากเป็นเทวดาคุ้มครองลูกๆที่ยังมีชีวิตอยู่จะต้องทำอย่างไรครับก็สอนให้เขาทำบุญทำทานให้สอนให้เขามีความเมตตาคนที่มีความเมตตาจะมีเทวดาปกป้องรักษาคำถามจากทาง Facebook ค่ะกราบพระอาจารย์ครับอยากสอบถามแนวทางการดับทุกข์ ที่เกิดจากการเจ็บป่วยของร่างกายเพราะเวลาเจ็บทีหนึ่งรู้สึกทรมานเหลือเกินต้องพยายามคิดว่าร่างกายไม่ใช่เราใช่ไหมครับใช่ต้องคิดว่าเวทนาคือความเจ็บของร่างกายนี้เราบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันเหมือนกับอากาศเนี่ยเวลามันร้อนเราใบบอกให้มันหายร้อนมันไม่ได้เราก็ต้องหัดอยู่กับมันไปเวลามันเจ็บเราก็หัดอยู่กับมันไปปล่อยให้มันเจ็บไป ถ้าเราไม่ไปเกิดความอยากให้มันหายมันจะไม่ทรมานความทรมานเกิดจากความอยากอยากให้มันหายอยากแงมันก็ไม่หายยิ่งอยากยิ่งทรมานใหญ่จะหยุดความอยากดีกันด้วยการใช้พุทธโธพุทธโธไปแล้วเดี๋ยวก็จะอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้อย่างสบาย จากคุณสมชาติค่ะขอคําแนะนําเกี่ยวกับการทําใจให้สงบในการทําสมาธิครับเป็นพระบวชใหม่ครับก็เนี่ยต้องฝึกสติต้องสร้างสติขึ้นมามันนึกถึงพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันทั้งคืนแล้วเวลานั่งสมาธิก็พุโทโธอย่าอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าหยุดคิดได้ใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมา จากทาง youtube ค่ะกลับน้ำมัมัชการพระอาจารย์ครับพระพุทธศาสนาอายุแค่ 5,000 ปีแล้วหลังจากนั้นโลกจะน่ากลัวมากไหมครับกลัวไปเกิดในยุคนั้นครับโลกตอนนี้ก็น่ากลัวอยู่แล้วนะน้องนั้นอย่าไปสนใจเรื่องของโลกเลยโลกมันก็เป็นอย่างนี้เนะี่ยมันมีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทุกโลกเกิดแล้วก็ต้องตายและน่ากลัวขนาดไหนมันก็ไม่เกินความตายไป ถ้าไม่อยากจะมาเจอเรื่องราวเหล่านี้ก็ยหยุดเกิดกันดีกว่าหยุดเกิดก็ต้องปฏิบัติเนี่ยทานศีลภาวนาไปให้ไปถึงนิพพานให้ได้ถ้าใจไปถึงนิพพานแล้วใจก็จะไม่กลับมาเกิดเด็กต่อไปจากคุณสุกัญญาค่ะผู้ปฏิบัติธรรมบางคนมีอาการวิปลาสเกิดเพราะเหตุใดคะก็เกิดจากคิดไม่เป็นไงคิด ไม่มีสติแล้วปล่อยให้ความหลงมันหลอกให้เราคิดให้เราเชื่อมันว่าคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาโดยที่ไม่มีความจริงมาสนับสนุนคนที่มีปัญญานี่จะไม่เชื่อความคิดของตนจะต้องหาหลักฐานมายืนยันก่อนว่าเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่ถ้ายังยืนยันไม่ได้ก็ยังไม่เชื่อฟังหูไว้หูก่อนอันนีน้พระเจ้าสอนในการลามัสูตรอย่าเพิ่งไปเชื่อให้เราพิสูจน์ด้วยตนเองก่อนว่ามันเป็นจริงอย่างที่เราคิดหรือไม่ แากคุณโอปอค่ะกราบพระอาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วพอนั่งไปสักพักรู้สึกเหมือนฝันเห็นเป็นเรื่องราวแต่ไม่ได้หลับนะคะควรทำยังไงต่อไปดีเจ้าคะก็ต้องหยุดมาเนี่ยแสดงว่าเราเผลอสติแล้วสติเราหายไปลองดึงกลับมาพุโทโธพุโทโธหรือดูลมหายใจแล้วความฝันหรืออาการต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งสมาธิก็จะหายไป จากทางยูทู e ค่ะผมโดนเบี้ยวค่าเช่าโดนขู่กันโชคซาบผมควรจะทำอย่างไรดีครับก็คิดว่าชาติก่อนแล้วคงจะทำมาเข้ามาก่อนชาตินี้เขาก็เลยมาเอาคืนเจ้ากรรมนายเวรต่อไปก็อย่าไปทำก็แล้วกันแล้วจะไม่มีใครมาทำร้ายเราจากคุณสิริรักษ์ค่ะ กลับนมรด ก, การหลวงพ่อค่ะอรูประชาโยมยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเจ้าค่ะอย่าว่าตารูปรชาณ์นะรูปรชาญคุณก็ยังไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องไปกังวลให้รู้จักสติก่อนเถอะถ้ามีสติแล้วเดี๋ยวมันก็จะพาเราไปสู่รูปรชาญนะรูปรชาญเองตอนนี้รู้ไปก็รู้แต่ชื่อมันไม่ได้เจอตัวมันเอาสติดีว่าะฝึกสติไปนั่งสมาธิให้หยุดคิดให้ได้แล้วมันก็จะเข้าสู่รูปรชาญนะรูปรชาญตามลําดับเอง <c oughs> ตอนนี้ยังไม่มีใร่ไมไม่มีเลยนะโอเคไม่มีก็มีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็จะได้ปล่อยให้กลับบ้านกันเพราะอากาศมันร้อนนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ